u có u thuộc giàu, hẹn có hẹn, t h ộ c thì, h o a mới sực, đi đi. ยังมีให้เคอล้อนเดียมแอบรักเธอที่เธอไม่รู้ทั้งที่ดูเราไม่เท่าเทียมเธออยู่สู่เราไม่ควรคู่เคียมเป็นเทียมยามเฝ้าใจ อยากเป็นให้มากกว่านี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการอยากเป็นให้มากกว่านั้นเป็นคนสำคัญพอยดูแลใจอยากอยู่ในใจของเธอ ฉันเ้าไปไม่ได้เฝ้าอยู่นอกใจยิ่งคิดมากไปกูวใจยิ่งช้ำรู้ก็รู้ทุกอย่างเห็นก็เห็นทุกที เข้าใจว่าได้แค่นี้เขาเก็บเธอไว้ในหัวใจ อยากเป็นใครมากกว่านี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการอยากเป็นใครมากกว่านั้นเป็นคนสำคัญคอยดูแลใจอยากอยู่ในใจของเธอแต่ฉัน เข้าไปไม่ได้เฝ้าอยู่นอกใจยิงคิดมากไปหัวใจยิงช้ำเฝ้าอยู่นอกใจยิงคิดมากไปหัวใจยิงช้ำ